บัณฑิตจะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระธรรมเทศนาที่พระพุมีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในที่นั้ น, น, นและแม้ที่นำมากล่าวแล้วโดยลำดับนั้นผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะพบว่า คำสอนของพระพุทธองค์ทั้งหมดเป็นเรื่องของความทุกข์เหตุเกิดแห่งความทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ทั้งนั้นแต่ในการจำแนกแสดงนั้นจะจ ง, จ, งจงทรงจำแนกแสดงไปโดยอเนกกระปริยายตามพื้นฐานของบุคคลผู้ฟังในขณะนั้น ถบุคคลผู้นั้นสามารถฟังเรื่องอะไรแล้วแก้ปัญหาคือความทุกข์ที่มีอยู่ได้ก็จะทรงแสดงธรรมะในฐานะนั้นๆปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาจึงอยู่ที่เรื่องของกิเลสทั้งหลายในชั้นของสมุทัยสัตว์นั้นทรงชี้ไปที่ตัณหาทั้งสามประการ เพราะว่าตัณหาทั้งสามะการเมื่อปรากฏแก่จิตแล้วบุคคลสังเกตเห็นได้ชัดเพราะมีความรุนแรงและทำให้จิตพล่านไปดิ้นไปท่านจึงแปลว่าตัณหาคืออาการที่จิตดิ้นรนทะเยอทะยานอยากไปในฐานะนั้นๆเ น, น, นความอยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็นซึ่งอาการแต่ละอย่างปรากฏชัดแก่จิต แต่แท้จริงแล้วอาการของตัณหาทั้งหมดนั้นก็สืบเนื่องมาจากกิเลสมูลฐานทั้งสามประการโดยมีโมหะเป็นรากใหญ่กระจายตัวเองออกไปเป็นโลกโกรธตรงแต่บางครั้งปริยายแห่งเทศนาก็สงสาวไปถึงต้นตอจริงๆคือสมุตคืออวิชชาอาวิชชานั้น ในเชิงของการแสดงโดยโวหารจะมีการตั้งตั้งปัญหาถามพระพุทธองค์ว่าอาวิชชาเกิดขึ้นมาจากอะไรพระทรงแสดงว่าอาวิชชาเกิดขึ้นมาจากภาวะตัณหาแล้วภาวะตัณหาเราก็เกิดขึ้นมาจากอะไรก็เกิดขึ้นมาจากอาวิชชาพอมาถึงจุดนี้มันก็หมุนมีลักษณะเหมือนไ ก, ก่กับไข่อะไรเกิดก่อนนั่นเองหลักธรรมปฏิบัติที่ทรงแสดง จงมุ่งสู่เป้าหมายคือการขาจัดกิเลสมูลฐานทั้งสารประการถึงบางครั้งทรงใช้คำว่าอากุศลธรรมุนแต่าการกำจัดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทรงแสดงอย่างไรแก่ใครดังกล่าวทุกครั้งที่เกิดขึ้นจากการฟังก็ดีการปฏิบัติก็ดีจะต้องมีผลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ตัวใหญ่คือตัววิชา ได้แก่ความไม่รู้ซึ่งหมายความว่าเมื่อความไม่รู้ได้ผ่อนคลายลงไปกิเลสประเภทอกุศลรรมูลทั้งสามประการก็จางลงไปจิตใจของบุคคลก็จะมองเห็นอาจเห็นธรรมชัดเจนที่ขึ้นโดยลำดับแต่นั่งพุทธภาวะที่เป็นเชิงป้าหมายจริงๆท่านจึงแปลว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นและเป็นผู้เบิกบาน ประเด็นใหญ่ใจความจึงอยู่ที่คําว่ารู้เพราะว่าถ้ารู้แล้วก็ตื่นเมื่อตื่นก็เบิกบานลัทธรมะจึงสามารถสรุปรวมลงอีกครั้งหนึ่งก็คืออยู่ที่วิ ช, ชาหรือปัญญาเต็ทรงแสดงไว้ว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่เป็นสุดเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาหรือวิ ช, ชาเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็จะทําหน้าที่ขจัดตัวที่ตรงกันข้ามกับตนคืออวิชชา เมื่อวิชาจางไปกิเลส ท, ทั้งสามก็จางไปการที่กิเลส ท, ทั้งสามจางไปนั้นก็ต้องมองถึงลักษณะที่ต่อเนื่องกันทำนองเดียวกับการเปิดสวิตไฟหรือการรับประทานยาหรือจการการจะทำอะไรก็ตามผลเด่นนั้นอาจจะปรากฏเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่แท้จริงแล้วจะมีผลที่ต่อเนื่องจากการกระทำเหล่านั้นืะไปด้วยตัวอย่างเช่น การรับประทานอาหารอาหารก็ถูกเคี้ยวกินให้หมดไปความหิวก็เริ่มจางลงไปร่างกายก็มีกระมังเรียวแรงฟื้นคืนมานี่เป็นอาการที่ต่อเนื่องจากการรับประทานอาหารผลทีเ่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมก็จะมีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าเมื่อบุคคลสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นในจุดหนึ่ง บุคคลก็จะตื่นขึ้นได้ในระดับหนึ่งจิตใจก็จะชื่นบานในระดับหนึ่งแล้วจะเดินขึ้นไปโดยแนวนี้เรื่อยๆจนถึงความสมบูรณ์แห่งคุณสมบัติทั้งสามประการนั้นดังนั้นเรื่องการแก้ความทุกข์ที่เป็นปัญหาหลักเกี่ยวดันตัวความทุกข์แท้จริงแล้วก็เป็นผลคือการแก้นั้นจะต้องแก้ที่เหตุของเขา ปัญหาบางอย่างเป็นเรื่องเหตุย่อยบางอย่างก็เป็นเหตุใหญ่พระเจ้าจึงทรงจําแนกแสดงทุกข์ไว้มากมายกายกองบางชุดมีเป็นสิบสิ บ, สบข้อด้วยกันแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็จะเป็นทุกขโดยธรรมชาติของมันโดยสภาวะของมันกับทุกข์ที่จรขึ้นมาอันเกิดขึ้นมาจากจิตที่มีปัญญาจํากัดจําเขีย่ย แล้วเกิดสับสนในด้านความคิดในที่สุดก็สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองทุกประเภทหลังจึงเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากจิตที่ตั้งไว้ผิดเท่านั้นแต่ก็จิตตั้งไว้ถูกมีปัญญาเกิดขึ้นได้ระดับหนึ่งก็จะวินิจฉัยตัดสินและขจัดความทุกข์ออกไปได้แต่ความทุกข์โดยสภาพคือกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามีเงื่อนไขมีองค์ประกอบเป็นนันมากลยกัน ตากว่าไม่สามารถตัดกิเลสประเภทมูลรากได้จริงๆก็ทำได้เฉพาะจางลงไปหรือว่าลดระยะเวลาให้สั้นข่าวเช่นความทุกข์ที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายคือจ ะ, ะทุกข์น้อยลงแต่ว่าในด้านของการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่ตายนั้นก็ทำได้เพียงให้เกิดประนีตขึ้นแล้วก็ช่วงที่จะเกิดน้อยลงมีจากัดจาเพียลงไป อยงที้ท่านแสดงไว้ว่าระดับของกุศลนิธรรมแต่กุศลนิธรรมนั้นเพื่สังเกตว่าความโลภโกรธหลงจางลงพอไม่โลภไม่โลกรธไม่หลงเพิ่มขึ้นทําให้โอกาสสร้างสมความดีของบุคคลสูงขึ้นโอกาสทําความชั่วได้ดลดลงผลจากการทําความดีนั่นเองจะทําครบชาติของบุคคลให้ประนีตขึ้นแต่ในช่วงของชีวิตประจําวันเอง บุคคลก็จะอยู่ด้วยความสุขความปีติความสงบเวรสงบภยัยซึงก็หมายความว่าความทุกข์ในสายนี้ก็ลดลงไปแต่ไม่ใช่เป็นการลดอย่างสิ้นเชิงประมูลเหตุของความทุกข์ยังไม่ได้ตัดให้ขาดลงไปแล้วพอเดินขึ้นไปถึงจุดที่เป็นพระญาบุคคลความทุกข์ก็ลดลงไปอีกแต่ก็ยังไม่หมดเพราะกิเลส ต, ตัวเหตุจริงๆยังไม่หมดแต่ภพชาติคือทุกข์ในสังสารทุกข์ ในทุกที่เกิดขึ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัตรก็ถูกจำกัดลงเช่นะโสดาบันอาจจะเกิดอีกเพียงชาติเดียวอาจจะสองชาติแต่ยังไงก็ตามจะไม่เกินสามชาติอนจากการไม่เกิดสามชาตินั้นคติภพก็แน่นอนลงไปว่าปิดประตูอบายได้ไม่ต้องบังเกิดในบายอีกต่อไปเพราะกิเลสไม่หยาดพอที่จะทากรรมหนะัก เมื่อกำหนดไม่มีการเกิดในใบ่ายก็ไม่มีพอถึงพระสะกิตาคามีก็มีลักษณะอย่างนั้นพอขึ้นไปถึงพระอนาคามีก็จะเป็นผู้ไม่มาสู่มนุษยสโลกอีกต่อไปจะบัติในพรหมโลกแล้วก็นิพพานในพรหมโลกปัญทุกในสังสารวัฏที่จะหมดไปได้เด็ดขาดคือแม้การเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏจะหมดได้เด็ดขาดนั้นก็ต่อเมื่ออิเลส ที่เป็นเหตุได้เกิดหมดไปจริงๆ จ, งจึงมีเฉพาะพระอาหารหันต์เท่านั้นพระอาหารหันต์ท่านจึงจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารวัฏคือเหตุปัจจัยของการเวทว่าตาเกิดก็หมดไปในการประพฤติปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนาก็ทรงแสดงเป็นปฏิปทาที่จะดําเนินเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางเหล่านั้นแม้จะเป็นระยะทางที่ไกลยังไงก็ตาม แต่ในชีวิตประจําวันก็ส่งมุ่งให้บุคคลมีทุกข์น้อยลงมีสุขเพิ่มขึ้นซึ่งก็หมายความว่ากิเลสลดลงไปธรรมะเพิ่มขึ้นนั่นเองถ้ากล่าวโดยผลเราถือว่าความทุกข์ลดลงความสุขเพิ่มขึ้นแต่จะกล่าวโดยเหตุก็คือกิเลสลดลงธรรมะเพิ่มขึ้นเพราะธรรมะและกิเลสเป็นเหตุให้เกิ ด, ก, ดการกระทําการกระทําเป็นเหตุให้เกิดเป็นความสุขความทุกข์ขึ้นมา ตอนนั้นในชันช้นของการปฏิบัติที่จะให้กิเลสจางแล้วก็เพิ่มธรรมะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคือความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นก็ส่งสอนไปตามสมควรแก่กรณีดนั้ น, น, นเช่นทุกส่วนที่เป็นสภาวะคนร้องก็เกิดมาแล้วมเหตุปัจจัยให้เกิดอยู่แล้วเพราะมาเหตุปัจจัยเหล่านี้มีอยู่การเดินทางเข้าสู่ความแก่ความตายก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดา ในชาตนี้จึงสอนให้ยอมรับความจริงตามธรรมชาติธรรมดาเติมถึ ง, งราวถึงเกิดมันก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยมันมีอย่างนั้นเองแต่ประการต่อไปนั้นเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากจิตที่ขาดคุณธรรมหรือขาดปัญญาเป็นหลักในการพิจารณาสวดมากที่ทรงชช้คําโดยสรุปว่าเป็นความทุกข์ที่จอดเข้ามา ความทุกข์บางอย่างจึงเกิดขึ้นจากใจที่มุ่งมา่ปรารถนาให้เป็นไปอย่างใดอย่างหนึง่งพึงสังเกตว่าใจที่ปรารถนานั้นเกิดขึ้นทีหลังถ้าหากว่าไม่ตั้งใจปรารถนาที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความทุกข์สำหรับกรณีนี้ก็ไม่มีครว น, นี้เพิงดูตัวอย่างเจนเมื่อก่อนก็ไม่มีบุตรไม่มีธิดา เมื่อตั้งความปรารถนาให้มีบุตรมีธิดาพอไม่มีก็มีทุกข์พอมีขึ้นแล้วตั้งความปรารถนาที่จะให้บุตรธิดาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอแก่ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นก็มีทุกข์และการกาหนดในแนวนี้ก็จะเกิดเพิ่มทุกข์แก่บุคคล น, นั้นเรื่อยๆไปแต่นั้นในชั้นนี้พระมีพระเจ้าก็ทรงแส ด, แดง วิธีการที่จะบรรเทาความทุกข์มาตั้งแต่ต้นเพื่อจะไม่เกิดปัญหาในการมีบุตรธิดาเช่นว่าพยายามให้มีบุตรธิดาที่ดีคือมีก็ให้มีที่ดีการจะมีบุตรธิดาที่ดีนั้นเป็นยังไงก็ต้องอาศัยสร้างตัวสื่อขึ้นมาได้แก่ตัวเองเป็นฐานรองรับคนดีก็ตามปกติแล้วสามารถสังเกตได้ในชีวิตประจาวันของคน วความโน้มเอียงทางใจของบุคคลนั้นจะดูดคนเข้ามาเกาะกลุ่มกันมาเป็นพวกเดียวกันมาเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนกันนักเลงเล่นการพนันก็จะเกาะกลุ่มกันในหมู่นักเลงการพนันนักสนใจธรรมะก็จะเกาะกลุ่มกันในด้านของธรรมะสนใจธรรมะระดับดายระดับกรรมฐานระดับทรงเจ้าข้าผีระดับทั่วสวรรค์นิพพานระดับศึกษาอภิธรรม หรอดับอะไรก็ตามก็จะเกาะกลุ่มกันในลักษณะเดียวกันเพราะในแง่ของสังสารวัตรก็เป็นเช่นเดียวกันที่พระเจ้าทรงแสดงฐานใหญ่เอาไว้ว่ า, าการเกิดร่วมกันของบุคคล น, นั้นอาศัยคุณธรรมสี่ประการเป็นปัจจัยคือศรัทธาศีลจาระและปัญญาแต่ศรัทธาศีลจาคะและปัญญานั้นก็มีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียด หรือไม่ใช่มีสัดส่วนเท่ากันแต่ว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดร่วมกันนั้นก็อาศัยระดับพื้นฐานเหล่านี้ใกล้เคียงกันแล้วจะทาให้บุคคลมาเกิดร่วมกันการจุติจะกพบหนึ่งไปสู่พบหนึ่งของสิ่งทั้งหลายนั้นของสัตว์มีชีวิตทั้งหลายนั้นเราจะมองด้วยตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติว่าเอาคนที่มีพื้นฐานทางใจที่แตกต่างกัน ไปเก็บไว้ในที่หนึ่งในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ให้คนเหล่านั้นเดินไปบนถนนสายเดียวกันในบนถนนสายนั้นมีสถานที่ที่เขามีความพอใจยินดีแตกต่างกันอยู่แล้วคนเหล่านั้นจะแยกกันไปเองโดยไม่จําเป็นจะต้องให้ใครไปบอกให้แกแยกคือแกแยกไปตามความโน้มเอียงทางใจของแกเพราะงั้นเมื่อบุคคลได้สร้างฐานใจขึ้น ให้ใจของตนดีมีพื้นฐานทางคุณธรรมสูงคนที่มีพื้นฐานระดับเดียวกันก็จะมาเกิดในที่สุดก็จะได้บุตรธิดาที่ดีอย่างที่ท่านจําแนกเอาไว้ว่ามีอยสามประเภทคือบุตรที่เกิดมาล้างพานสกุลรักษาสกุลเอาไว้แล้วก็ทําสกุลให้สูงขึ้นซึ่งก็หมายความว่าจะเลือกบุตรธิดาที่ดีมากก็ได้เมื่อได้บุตรธิดาที่ดี เวลาจะตั้งความปรารถนาให้กิเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นันก็เป็นได้ตามที่ต้องการแม้จะอาจอาจจะไม่สมหวังไปบ้างแต่จะมีความไม่สมหวังน้อยเมื่อมีความไม่สมหวังน้อยก็แสดงว่าสมหวังมากเมื่อสมหวังมากความสุขก็มาก้ความสุขก็มากความทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะลดลงไปนั่นคือการสร้างเหตุปัใจจัยในลักษณะที่องเกียรถาวอนแต่ในบางเดียว บางบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วความกําหนดนั้นได้กาหนดทีหลังก็ต้องเอาปัญญาเข้าไปประกอบในการกําหนดเรานั้นเชนที้เราพูดกันว่าเลี้ยงดูได้แต่ร่างกายแต่จิตใจของของเขาเราก็เลี้ยงดูไม่ได้ด้า น, นการใช้ความพยายามปฏิบัติภารกิจของผู้ที่เป็นมารดาบิดาต่อบุตรดาก็ทําลงไปเต็มที่ แต่ว่าถึงจุดหนึ่งไม่อาจเป็นไปตามที่ตนต้องการได้พอถึงจุดนี้ต้องก็สอนให้ปรับจิตแล้วเพราะว่าตั้งความหวังให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ตามปกติแล้วมันก็ตั้งไม่ได้อยู่แล้วบุคคลก็ต้องยอมรับความจริงในส่วนนี้ซึ่งอาจจะปรับมาจากอะไรจากหลักวิปัสสนากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงถึงความเป็นอนัตตา เพรารูปทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตาจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาก็ตามก็เป็นอนัตตาเพราะเป็นอนัตตานั้นสิ่งเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแล้วคนไม่อาจที่จะตั้งความหวังให้สิ่งเหล่านั้นว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดจะได้เป็นอย่างนั้นเลยใครไม่อาจจะตั้งความหวังได้เมื่รู้ว่าไม่อาจจะตั้งความหวังได้ในขณะ ท, ะที่อาจจะตั้งความหวังอยู่ แต่ก็เตรียมใจให้มีความว่าอาจจะไม่สมหวังก็ได้คือเตรียมไว้ทั้งสองทางพอเกิดสมหวังก็ดีไปพอเกิดผิดหวังใจก็ยังมีหลักยึดเหนี่ยวไม่เสียการทรงตัวทำนองกับอะไรทำนองเดียว ก, กับบุคคลเดินไปในที่ที่ลื่นแล้วมีการเตรียมใจเตรียมตัวไว้สองจย่างคืออาจจะหกล้มก็ได้แต่ อ, อาจจะไม่หกล้มก็ได้ เบื่อเดินไปสมมติว่าหกล้มเพราะเตรียมใจไว้ก่อนโอกาสที่จะเจ็บตัวก็น้อยลงหน่อยแต่ไม่มีาหาวก็ไม่มีการเตรียมใจไว้เลยถ้าเกิดพังผ่าก็จริงๆก็อาจาจะบาดเจ็บมากตอนนี้ด้นแล้วแต่เป็นหลักเป็นความเคลื่อนไหวตามธรรมชาติธรรมดาทั้งหมดเพียงแต่นำปัญญาเข้าไปกากับไว้วิเคราะห์ตรวจสอบไปเห็นถึงความจริงในฐานะนั้นๆทีนี้สมมติว่า แม้ที่จะเป็นไปตามที่ตัวหวังได้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทำอย่างไรใจจึงจะสงบไม่ไปเดือดร้อนกับเขาในข้อนี้ท่านก็สอนให้ทำใจเป็นอุเบกขาใช้ปัญญาเพ่งพินิษ ต, ตึงความจริงปรับจิตเข้าหากฎของกรรมอย่างที่สุดกันจะสามารถบรรเทาความทุกข์ในกรณีนั้ น, น, นไปได้ ความทุกข์บางอย่างเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจา ก, กเรียกว่าไปพลอยทุกข์กับเขาไปพลอยเดือดร้อนกับคนอื่นเขาลักษณะเหล่านี้อย่างที่เคยแสดงถึงเรื่องของกรุณาตามปกติแนวนี้มักจะเกิดร่วมกับกรุณาจนทำให้บุคคลหลงผิดเข้าใจผิดว่าเป็นอาการของกระดิ่งของกรุณา คือความรู้สึกกรุณาต้องการที่จะบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นนั้นบางครั้งบางคราวแทนที่จะเป็นการบรรเทาทุกข์คือกลับเพิ่มทุกข์ขึ้นไปคนอื่นก็ทุกข์อยู่แล้วเราก็ไปร่วมวงทุกข์กับเขาด้วยก็ร้องไห้ไปร้องไห้กับเขาด้วยเขากลัดลุ่มไปกลัดรุ่มกับเขาด้วยในสุดมันก็อยู่ในจุดที่ไม่สามารถจะแก้ไขความทุกข์ได้ ลักษณะจิตที่เป็นเช่นนี้ทรงใช้คํำบาลีวโสโกจิตคือจิตที่ประกอบด้วยความโศกแต่จะถามว่าทำไมจึงโศกก็ตอบว่าเราต้องการให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อเราเห็นความทุกข์ก็สงสารเขาจนเกินพอดีเป็นลักษณะสงสารที่เกินพอดีแล้วก็กลายเป็นความโศกขึ้นมาครอบงําใจคนหนึ่งทุกข์อยู่แล้ว เราก็ไปร่วมมุ่งทุกข์กับเขาอีกคนหนึ่งนี่คือลักษณะของใจที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิษพิจารณาความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้นที่จริงก็เป็นเพียงผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุจะเป็นอะไรก็ตามเพราะมีเหตุแตกต่างกันแต่เหตุเหล่านั้นจะไม่เกินไปจากเรื่องของความโลภความโกรธความหลงราควรจะตรวจสอบให้ท่องแท้ว่า ความทุกข์ที่ปรากฏแก่ใจของบุคคลนั้นๆเกิดขึ้นมาจากอะไรสืบสาวให้ไปถึงต้นต่อที่แท้จริงเมื่อมีความกรุณาจิตบังเกิดขึ้นต้องการที่จะบรรเทาความทุกข์ให้แก่เขาก็ต้องให้เข้ามองไปถึงความจริงถึงตั ว, ตว เ, หตเหตุเหล่านั้นแต่บางครั้งสาวไปไม่ถึงก็จะมองที่ตัวผลซึ่งปรากฏก็ได้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการพัดลาด พระมุมีพระภาคเจ้าเวลาทรงแส ด, แดงคนที่เข้าถึงเหตุไม่ไหวก็พระองค์เฉพาะทรงสอนให้มองเฉพาะตัวผลเท่านั้นเพื่อทำในส่วนที่เราทำได้ก้อนนี้บพงสังเกตว่าคำสอนระดับศีลธรรมจัญญาที่เกี่ยวกับการอุทิศส่วนกวุศลให้แก่ผู้ที่ตายไปนั้นจะสอนในลักษณะธรรมดาธรรมดา คือไม่ให้สาวไปถึงเหตุอะไรเพราะคนนั้นสาวไม่ได้กําลังของปัญญาไม่มีมากพอที่จะสาวลึกถึงไปว่าเกิดขึ้นมาจากตานาะอุปาทานเป็นต้นก็ไม่พูดในตอนนั้นพูดในตอนบนคือโดยเชี่เห็นว่าการร้องให้เสียใจเพราะการพลาดพราดการสูญเสียที่ชนคนที่รักจากไปนั้นที่จริงในขณะที่เราร้องให้อยู่ท่านเหล่านั้นก็ไม่รู้การร้องให้ของเรา ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรวิถีชีวิตเป็นสุขเป็นทุกข์ของท่านเหล่านั้นได้แต่ในขณะเดียวกันการบำเพ็ญบุญอุทิศกุศลส่งไปให้ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นความสุขเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นได้นี่ก็พูดในชั้นศีลธรรมจัรญาประมาณในชั้นหนึ่งก็สอนลึกตรงไป ที่ให้บุคคลมองความจริงว่าการร้องไห้เหล่านั้นช่วยอะไรได้มันเป็นประโยชน์อะไรแก่เราบ้างไหมเราได้ประโยชน์อะไรจากการร้องไห้ไหมแล้วคนที่เราร้องไห้ถึงเขานั้นเขาได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าให้บุคคลพยายามคิดและพยายามสอบถามใจตัวเองก็จะมองเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่บุคคลทั้งสองฝ่าย แล้วก็จะผ่อนคลายความทุกข์ลงไปตามลําดับแต่ทีนี้บางคนพื้นฐานสติปัญญาเข้ามากกว่านั้นสามารถที่จะแก้ลึกลงไปแทนที่จะปวดหัวแล้วก็ทานยาแก้ปวดก็ไปแก้ที่สมุดฐานของความปวดเลยก็สาวลึกไปถึงจุดของกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความโศกความทุกข์ต่อ น, นั้นก็จะมองเห็นว่าแท้จริงแล้วเกิดจากความไปยึดถือ โปยปฏิเสธความจริงอีกด้านหนึ่งไปยึดถือในแนวที่ทัานใช้คําว่าวิปัลลาดคือมันคลาดเคลื่อนจากความจริงมาตั้งแต่ต้นท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความคิดนั้นวิปัลลาดคลาดเคลื่อนจากความจริงจึงมีการกําหนดหมายการส่งจําที่วิปัลลาดก็ให้เกิดเป็นความเห็นวิปัลลาด วิปลาดเหล่านี้บางทีเราก็มาใช้กับคนที่สติวิปลาดแต่ถึงก็หมายความว่าเป็นเรื่องเดียวกันหมายความว่ามองอะไรสับสนไปหมดคิดอะไรสับสนไปหมดความจริงเป็นอย่างหนึ่งกลับมองอีกอย่างหนึ่งกลับไปคิดไปอีกอย่างหนึ่งกลับไปเห็นไปอีกอย่างหนึ่งในการปฏิบัติชั้นนี้ซึงมุ่งไปที่แก้ตัววิปลาดให้ลองสังเกตว่าการปฏิบัติในส่วนของความทุกข์นั้น พอถึงชั้นก็กำมาฐานระดับของวิปัสสนาที่จริงก็ตั้งแต่ระดับสมถะแล้วแล้วถ้ามองไปถึงจริงๆก็เป็นระดับสินธรรมจัญญาที่ปรับฐานมาแล้วเคยบุคคลมองเห็นความจริงการกําหนดหมายในแนววิปัาราชนั้นจะกําหนดหมายอยู่สี่แนวแนวหนึ่งเป็นกําหนดหมายสิ่งซึ่งโดยสภาพจริงๆแล้วก็ไม่สวยไม่งามอะไร เป็นการเกาะคุมประชุมการข้องขันธาตุอายตนะก็กลายเป็นคนเป็นสัตว์การเกาะคุมประชุมการของทพัะสังภาระทั้งหลายก็กลายเป็นบ้านเป็นเดือนเป็นรถเป็นอาคารสถานที่ต่างๆถึงว่ากันตามความเป็นจริงพระเจ้าก็เริ่มสอนให้เห็นตั้งแต่กินข้าวหรือับประทานอาหารนละอาหารที่บุคคลรู้สึกว่าอร่อยนั้นแท้จริงแล้วก็ประกอบด้วยของปฏิกูลต่างๆ แ, แม้คําพูดที่บุคคลชวนกันรับประทานอาหารเอารีบรับประทานประเดี๋ยวจะเย็นใชรีบรับประทานอาหารจะบูญใช่ซึ่งก็หมายความมันก็มองเห็นความไม่อรเรศอร่อยความปฏิกูลของอาหารนั้นอยู่ในคําพูดที่ว่าประเดี๋ยวจะเย็นซึ่งก็หมายความอาหารนั้นไม่อริเรอร่อยมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเพราถึงอีกช่วงหนึ่งจะบุญ ซึ่งกรหมายความว่าความปฏิกูลก็เด่นชัดขึ้นอยู่ในจุดที่เป็นอันตรายแล้วถ้าเกิดรับประทานเข้าไปซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าโดยจริงๆแล้วคนก็มองเห็นความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายประชุมกันข้าวสมมติบรรจัดข้าวเป็นคนเป็นสัตว์ก็มองเห็นกันอยู่แต่แม้แต่การใช้ในชีวิตประจาวันการใช้เครื่องหอมเครื่องประเทนผิวต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสีเข้อมาลาการทะวิเลปะนะเอาไว้นั้นรือสังเกตว่าก็ต้องการช่วยเสริมความคิดที่ไม่คนเพิ่มความกำหนัดในตัวเองและความกำหนัดในสิ่งมาประกอบทั้งหลายเพื่ออะไรเพื่อจะบรรเทาการมาราคะที่บังเกิดขึ้นภายในจิตจะช่วยให้สีลข้อที่สามมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ถึงในแง่นี้ก็ได้แก่การปรับจิตยอมรับถึงความไม่สวยไม่งามความปฏิกูลนั่นเองแต่เพราะความเห็นที่วิปัลลนาออกไป <c oughs> ใจก็พยายามปฏิเสธถึงความจริงเหล่านั้นไม่ได้มองไม่ได้ใช้ไปในแง่ที่จะขัดเกลาจิตให้ลดราคะโลภโทสะโมหะลงไปความเห็นในแนวนี้ท่านจึงเรียกว่าวิปัสลนา คือไม่ตรงกับความจริงมองเห็นของที่ไม่สวยไม่งามไม่อรอร่อยไม่หอมว่าเป็นของสวยงามอริษาร่อ ย, ออยหอมน่าฟังเป็นต้นในชั้นหนึ่งก็คือสิ่งมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแต่จากคำพูดดังกล่าวแล้วนั่นเองคือคำพูดว่ารีบกินซะก่อนประเดี๋ยวจะเย็นรีบกินเสียประเดี๋ยวจะบุตรีบกินเก็วของมันจะเสีย เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าผู้พูดนั้นเข้าใจถึงอนิจจลักษณะที่มีอยู่ในสัตว์ในสังขารในอาหารในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไดยรีบเร่งการทำเต็มหรือบอกว่ารีบตักแต่น้ำจะลงที่โบราณนั่นสอนว่าทน้ำขึ้นในรีบตกักซึ่งก็ ม, มายหมายความว่าถ้าไม่ตักน้ำก็ลดนั่นคืออนิจจตาที่มีอยู่ในกระแสน้ำแล้วคนก็พูดพูดกันอยู่ มองเห็นกันอยู่แต่ไม่มองให้เกิดปัญญาจนสามารถที่จะนำไปเทียบเคียงในส่วนอื่นจะถ่ายถอนบรรเทาความกำหนัดให้เจรจางลงไปจากจิตใจบรร ด, ดารสกความวมิปลาสลงไปได้จิตใจของบุคคลก็จะบรรเทาความทุกข์ได้ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป